70 ส, สโลสโลรมแห่งสุญญาตาแม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ทรงกล่าวถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความมีอยู่และความไม่มีอยู่สิ่งด้อยสิ่งกลางและสิ่งเลิศซึ่งล้วนเป็นวิสัยของโลกโลก แต่โดยจริงแท้แล้วมันไม่ได้มีเช่นนั้นการตั้งชื่อล้วนไม่ได้มีความสำคัญในเรื่องตัวตนมิใช่ตัวตนและตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนซึ่งทั้งหมดก็มิได้มีอยู่จริงเช่นเดียวกับคำว่านิพพานสิ่งที่แสดงด้วยชื่อทั้งหลายนั้นล้วนว่างเปล่าจากธรรมชาติที่แท้จริงของมันเอง เพราะว่าทุกๆสิ่งโดยทั้งหมดแล้วล้วนปราศจากแกนสารสาระที่แท้จริงทั้งในตัวเหตุหรือตัวปัจจัยของมันทั้งหมดทั้งโดยองรวมหรือแยกส่วนก็ตามล้วนว่างปราจากตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ก็มิได้เกิดขึ้น เพราะว่ามันไม่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ข้อมีได้เกิดขึ้นเพราะมันขัดแย้งกันดังนั้นมันจึงไม่ได้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเสื่อมสลายไปสิ่งที่ได้เกิดไปแล้วก็ย่อมไม่สามารถจะเกิดได้อีกสิ่งที่ไม่ได้เกิดก็ย่อมไม่สามารถจะเกิดได้ สิ่งที่กําลังเกิดอยู่ที่กําลังเกิดเป็นบางส่วนและอย่างมิได้เกิดเป็นบางส่วนก็ย่อมไม่สามารถจะเกิดได้อีกเช่นกันเหตุจะทําให้เกิดผลได้ก็ต่อเมื่อมันมีสิ่งที่เป็นผลแต่ในเมื่อมันไม่มีสิ่งที่เป็นผลสิ่งที่เป็นเหตุก็ย่อมไม่เป็นเหตุมันขัดแย้งกันหากกล่าวว่า ผลไม่ใช่ทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่และมันเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลหากกล่าวว่าเหตุเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในช่วงเวลาทั้งสามหากปราศจากหนึ่งสิ่งย่อมไม่มีหลายสิ่งหากปราศจากหลายสิ่งก็ย่อมมิได้มีหนึ่งสิ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกัน ย่อมไม่มีลักษณะธรรมชาติที่แท้จริงของตัวมันเองปัจจัยทั้ง12ในกระแสปฏิจจสมุปบาทซึ่งประกอบกันให้เกิดความทุกข์นั้นจึงล้วนมิได้เกิดขึ้นจริงมันเป็นสิ่งที่มิได้มีอยู่จริงทั้งในหนึ่งและหลากหลายมันมิได้มีทั้งความเที่ยงหรือความไม่เที่ยง มิได้มีทั้งตัวตนหรือมิใช่ตัวตนมิได้มีทั้งความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์มิได้มีทั้งความสุขหรือความทุกข์ดังนั้นความเห็นที่ผิดทั้งหลายก็ล้วนมิได้มีอยู่จริงหากปราศจากสิ่งนี้อวิชชาซึ่งมีรากเหง้ามาจากความเห็นผิดก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ หากปราศจากอาวิชชาก็ย่อมไม่เกิดการปรุงแต่งและเช่นเดียวกันกับอีกสิบอาการที่เหลืออวิชชาจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการปรุงแต่งหากปราศจากอาวิชชาการปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันต่างเป็นเหตุซึ่งกันและกันมันจึงไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเอง แล้วสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเองจะก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆได้อย่างไรปัจจัยที่มีอยู่ได้ต้องอาศัยสิ่งอื่นย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นๆได้พ่อย่อมไม่ใช่ลูกลูกย่อมไม่ใช่พ่อทั้งสองต่างไม่ได้มีอยู่หากไม่ขึ้นอยู่ต่อกันและกัน ทั้งสองต่างไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันปัจจัยทั้งสิบสองก็เป็นเช่นเดียวกันเฉกเช่นความสุขและความทุกข์ในความฝันต่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระตุ้นที่ไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสิ่งอื่นและเกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นย่อมไม่ได้มีอยู่ กล่าวค้านหากว่าสรรพสิ่งมิได้มีอยู่โดยตัวมันเองแล้วดังนั้นสิ่งได้สิ่งกลางและสิ่งเลิศและสิ่งต่างๆของโลกก็ย่อมมิได้เกิดขึ้นและมิสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แม้จะโดยเหตุปัจจัยก็ตามตอบหากมีสิ่งที่มีธรรมชาติของตัวมันเอง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยเหตุปัจจัยย่อมมีอาจเกิดขึ้นหากมันไม่มีเหตุปัจจัยมาเกี่ยวเนื่องแล้วสิ่งที่มีธรรมชาติของตัวมันเองจะเสื่อมสลายไปได้อย่างไรสิ่งที่มีธรรมชาติที่แท้จริงย่อมไม่เสื่อมสลายไปแล้วสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงจะมีธรรมชาติของตัวมันเอง หรืออาศัยธรรมชาติของสิ่งอื่นหรือไม่มีธรรมชาติใดๆเลยได้อย่างไรที่สุดแล้วก็คือทั้งการมีธรรมชาติของตัวมันเองการอาศัยธรรมชาติสิ่งอื่นและการไม่มีธรรมชาติใดๆเลยล้วนเป็นความเห็นที่ผิดกล่าวค้านหากสรรพสิ่งว่างเปล่าย่อมไม่มีการเกิดขึ้น และดับไปแล้วสิ่งที่ว่างเปล่าจากธรรมชาติที่แท้จริงของมันมันจะเกิดขึ้นและดับไปได้อย่างไรตอบความมีอยู่และความไม่มีอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นพร้อมกันหากปราศจากความไม่มีอยู่ย่อมไม่มีความมีอยู่ทั้งความไม่มีอยู่และความมีอยู่ย่อมกู้กันเสมอ มันมิได้มีความมีอยู่ที่ไม่ขึ้นกับความไม่มีอยู่หากปราศจากความมีอยู่ย่อมไม่มีความไม่มีอยู่ความมีอยู่ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองและมิได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ความมีอยู่จึงมิได้มีอยู่จริงดังนั้น มันจึงไม่ได้มีความมีอยู่และความไม่มีอยู่ที่แท้จริงหากมันมีความมีอยู่จริงมันย่อมมีความเที่ยงแท้ถาวรและหากมันมีความไม่มีอยู่จริงมันย่อมต้องมีความดับศูนเมื่อมีความมีอยู่ย่อมมีสองลักษณะนี้ดังนั้น ความมีอยู่จริงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กล่าวค้านสองลักษณะนี้ต่างไม่ได้มีอยู่เนื่องเพราะความสืบเนื่องสับพสิ่งดับไปหากมีเหตุปัจใจตอบด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วความสืบเนื่องเองก็มิได้บังเกิดขึ้นจริงมันย่อมกลายเป็นว่า ความสืบเนื่องเองก็ย่อมขาดช่วงกล่าวค้านไม่จริงคำสอนของพระพุทธองค์ก็เน้นให้เห็นเรื่องการเกิดดับไม่ใช่เรื่องความว่างตอบการตระหนักต่อทั้งสองสิ่งโดยผูกขาดต่อกันและกันเป็นความผิดพลาดกล่าวค้าน หากมันไม่มีการเกิดดับแล้วที่ว่านิพพานคือการดับไม่เหลือหมายความว่าอย่างไรตอบโดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดดับนี่ไม่ใช่ความอิสระหลุดพ้นที่แท้จริงหรอกหรือหากนิพพานเป็นผลจากการดับมันย่อมมีการถูกทำลาย และตรงกันข้ามมันย่อมมีความเที่ยงแท้ถาวรดังนั้นมันไร้เหตุผลที่จะกล่าวว่านิพพานคือความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่หากมีการดับสนิทจริงมันต้องไม่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่แต่มันไม่สามารถมีได้โดยปราศจากความมีอยู่และไม่สามารถ มีได้โดยปราศจากความไม่มีอยู่รอยแต้มปรากฏชัดได้ก็เพราะความแตกต่างระหว่างรอยแต้มกับพื้นผิวที่ถูกแต้มมันมิได้ปรากฏขึ้นได้โดยตัวมันเองทั้งสองต่างมิได้เกิดขึ้นจากกันและกันเพราะว่าสิ่งที่มิได้เกิดขึ้นย่อมไม่สามารถทำให้สิ่งที่มิได้เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้และนี่ย่อมรวมถึงเหตุผลความรู้สึกผู้รู้สึกการเห็นผู้เห็นและอื่นๆในทำนองเดียวกันก็อธิบายได้เช่นกันการเวลาทั้งสามก็ไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริง เพราะว่ามันไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้มันต้องเกี่ยวเนื่องต่อกันและกันเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงและไม่มีตัวตนที่แท้จริงและเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่เพียงผลของการปรุงแต่งเพราะว่าลักษณะทั้งสามของสภาวะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปนั้นไม่มีอยู่จริงมันจึงไม่ได้มีแม้เพียงเศษเสี้ยวของสภาวะหรืออสภาวะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นย่อมไม่มีการเกิดทั้งสิ่งที่คงอยู่และสิ่งที่ไม่คงอยู่ย่อมไม่มีการตั้งอยู่ทั้งสิ่งที่ถูกทำลายไม่ได้ และสิ่งที่ถูกทำลายได้ย่อมไม่มีการดับทั้งสิ่งปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้ปรุงแต่งย่อมไม่ใช่หลากหลายหรือเพียงหนึ่งย่อมไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ความจริงนี้ใช้ได้กับทุกปรากฏการ์กล่าวคา้าน ได้มีการกล่าวถึงเรื่องช่วงเวลาแห่งกรรมธรรมชาติแห่งกรรมและผลของกรรมรวมทั้งกรรมของแต่และบุคคลในการมีชีวิตอยู่และผลของกรรมที่ไม่อาจลบล้างได้ตอบกรรมนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยตัวมันเองมันไม่ได้เกิดขึ้น หรือสูญสิ้นลงความรู้สึกว่าฉันเป็นผู้กระทาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังการที่เชื่อว่าฉันได้สร้างมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งหากกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยตัวของมันเองกายที่เป็นผลของกรรมย่อมคงที่ถาวรดังนั้นกรรม จึงไม่ได้มีผลในความทุกข์และไม่ได้มีแก่นสารสาระแห่งความเป็นตัวตนใดๆกรรมไม่ได้เกิดจากสภาวะปัจจัยและก็ไม่มีความหมายที่จะกล่าวว่าเกิดจากอสภาวะปัจจัยการเกิดขึ้นของกรรมเป็นดังเช่นมายาหรือพยับแดบ กรรมมีกิเลสเป็นเหตุกิเลสตัวสร้างกรรมย่อมมีธรรมชาติแห่งความรุ่มร้อนกายมีกรรมเป็นเหตุของมันทั้งสามล้วนว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงหากปราศจากกรรมย่อมไม่มีผู้กระทาหากปราศจากทั้งสองย่อมไม่มีผลของกรรม หากปราศจากทั้งหมดย่อมไม่มีผู้รับผลดังนั้นสรรพสิ่งจึงว่างเปล่าเมื่อมองเห็นความจริงบุคคลย่อมบังเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่ากรรมนั้นว่างเปล่ากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดกรรมสิ่งที่เกิดจากกรรมก็ย่อมไม่เกิดขึ้นด้วย คล้ายกับเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงนิมิตบุคคลให้ปรากฏแล้วบุคคลในนิมิตนั้นก็จะแสดงเหตุการณ์อื่นๆให้ปรากฏต่อๆไปในกรณีนี้นิมิตนั้นล้วนว่างเปล่าทั้งสองเป็นเพียงชื่อซึ่งล้วนเป็นเพียงการปรุงแต่งที่ไม่มีอะไรจริงแท้ เช่นกันผู้กระทาก็เปรียบเหมือนนิมิตบุคคล น, นั้นกรรมก็เปรียบกับเหตุการณ์ที่แสดงโดยบุคคล น, นั้นโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ได้มีอะไรจริงแท้มันล้วนเป็นเพียงการปรุงแต่งหากกรรมมีตัวตนที่แท้จริงของมันมันย่อมไม่มีนิพพานหรือการกระทาของผู้กระทา หากกรรมไม่ได้มีอยู่ความพอใจและไม่พอใจที่เกิดจากกรรมย่อมไม่มีอยู่เช่นกันเป็นและไม่เป็นและทั้งเป็นและไม่เป็นล้วนบัญญัตโดยพระพุทธองค์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างซึ่งมันเข้าใจได้ไม่ง่ายนักหากรูปคือวัตถุธาตุในตัวมันเองจริง มันย่อมไม่เกิดขึ้นโดยธาตุต่างๆมันมิได้เกิดมาจากตัวมันเองซึ่งมิได้มีอยู่จริงมิใช่หรือและมันก็มิได้เกิดมาจากสิ่งอื่นดังนั้นมันจึงมิได้มีอยู่จริงธาตุทั้งสี่จะไม่พบในธาตุใดธาตุหนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งก็ไม่พบในธาตุทั้งสี่ แล้วรูปจะบังเกิดขึ้นโดยธาตุทั้งสี่ได้อย่างไรเพราะมันไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรงว่ารูปมิได้มีอยู่จริงแต่หากเราพิจารณาที่รูปลักษจะพบว่ารูปลักษซึ่งเกิดจากเหตุและปัจจัยนั้นมันมิได้มีอยู่จริงและมันดูไม่มีเหตุผลหากจะบอกว่ารูปนั้น ปราศจากรูปลักษณ์หากจิตสามารถยึดติดรูปได้จริงมันย่อมสามารถยึดติดธรรมชาติแท้ของตัวมันเองได้แล้วจิตซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยนั้นจะสามารถยึดติดความไม่มีอยู่ของรูปได้อย่างไรเพราะว่า แม้เพียงขณะหนึ่งของจิตที่กล่าวว่ามันยึดติดรูปก็ไม่สามารถมีอยู่ได้แล้วมันจะเข้าใจรูปในอดีตรหรืออนาคตได้อย่างไรเพราะว่ารูปทรงและสีสันมิเคยอยู่แยกกันมันจึงไม่สามารถถูกเห็นโดยแยกออกจากกันได้หรือว่ารูปมีได้เป็นเพียงหนึ่ง ความรู้สึกแห่งการเห็นมิได้มีอยู่ที่ตามิได้มีอยู่ในรูปและก็มิได้อยู่ในระหว่างดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นอยู่กับตาและรูปจึงเป็นสิ่งลวงหากว่าตาไม่ได้เห็นตัวมันเองแล้วมันเห็นรูปได้อย่างไรนั่นย่อมหมายความว่าทั้งตาและรูป ล้วนปราศจากตัวตนและก็เป็นเช่นเดียวกันกับทุกๆประสาทสัมผัสตานั้นว่างเปล่าจากตัวตนของมันเองและตัวตนของสิ่งอื่นรูปก็ว่างเปล่าจากตัวตนเช่นกันและก็เป็นเช่นเดียวกันกับทุกๆประสาทสัมผัสเมื่อการรับรู้สัมผัสหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมการกระทบ การรับรู้สัมผัสอื่นกลับว่างเปล่าความว่างไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับความไม่ว่างและความไม่ว่างก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความว่างเมื่อไม่มีธรรมชาติที่เหมาะสมย่อมไม่เกิดผัสสะหากไม่มีผัสสะความรู้สึกสัมผัสย่อมไม่มีอยู่ ความรู้สึกสัมผัสเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับอายตนะภายในและภายนอกดังนั้นความรู้สึกสัมผัสเองนั้นว่างเปล่าจากตัวตนเช่นเดียวกับมายาและพยับแดดเพราะความรู้สึกเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุแห่งอารมณ์วัตถุแห่งอารมณ์นั้น มิได้มีอยู่โดยตัวของมันเองเพราะว่าความรู้สึกมิได้มีอยู่หากปรสจากวัตถุแห่งอารมณ์และประสาทรู้สึกสัมผัสดังนั้นความรู้สึกนั้นจึงมิได้มีอยู่จริงโดยสมมุติสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแต่โดยความจริงแท้นั้นไม่มีสิ่งใดเที่ยงหรือไม่เที่ยง หากมันมีสรรพสิ่งมันย่อมมีความเที่ยงหรือความไม่เที่ยงแต่มันจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะว่าความโลภโกรธหลงล้วนเกิดจากความเห็นที่ผิดในความรู้สึกพอใจและไม่พอใจความโลภโกรธหลงจึงไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเอง บางคนอาจมีความโลภโกรธหลงในสิ่งสิ่งเดียวกันตัณหานั้นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งและความปรุงแต่งทั้งหลายก็มิได้จริงแท้สิ่งที่จินตนาการขึ้นย่อมมิได้มีอยู่จริงหากไม่มีวัตถุให้จินตนาการแล้วเกิดจินตนาการได้อย่างไร ทั้งสิ่งที่ถูกจินตนาการขึ้นและการจินตนาการเองก็ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยมันจึงล้วนว่างเปล่าเมื่อเข้าใจความเป็นจริงเอาวิชาซึ่งเกิดจากความเห็นผิดก็มิเกิดขึ้นเมื่อมันไม่มีอะไรอีกการสร้างกรรมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วปัจจัยทั้งสิบที่เหลือก็ไม่เกิด เช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นย่อมไม่ได้เกิดขึ้นหากสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่ทั้งความมีอยู่และความไม่มีอยู่ทั้งสังขารและวิสังขารล้วนสงบเย็นนี่คือนิพพาน การจินตนาการเอาเองว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเป็นความจริงนี่เรียกว่าอาวิชชาและจากความเห็นเช่นนี้อาการทั้งส2องก็เกิดขึ้นแต่เมื่อบุคคลสามารถเข้าใจโดยเห็นแจ้งชัดว่าสรรพสิ่งนั้นล้วนว่างเปล่าเขาย่อมหมดสิ้นซึ่งความหลง อวิชชาดับอาการทั้งสิบสองก็ดับไปการสร้างกรรมก็เป็นเหมือนเช่นมายาพยับแดดฟองน้ำความฝันหรือกงล้อไฟที่เกิดจากการหมุนลูกไฟไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่โดยความบริสุทธิ์ของตัวมันเองรวมทั้ง ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีอยู่ที่นี่ทั้งสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ไม่มีอยู่ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยซึ่งก็ล้วนว่างเปล่าเพราะว่าสรร พ, พสิ่งล้วนว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงของมันพระตถาคตเจ้าจึงทรงสอนเรื่องการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัย ความหมายอันยิ่งก็มีอยู่ในนั้นพระพุทธองค์ท่านได้แจ้งชัดในเหตุปัจจัยอลากหลายของสิ่งสมมุติของโลกศีลธรรมของโลกไม่ได้ถูกทำให้เสื่อมสลายโดยความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนธรรมใดๆเพราะไม่เข้าใจคําพูดของท่านผู้งโง่เขลา จึงรู้สึกหวาดกลัวต่อคำสอนอันบริสุทธิ์เช่นนี้หลักการของโลกที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นมิได้ถูกทำให้เสื่อมเสียแต่เพราะว่าสิ่งที่มันอาศัยนั้นล้วนปราศจากตัวตนที่แท้จริงแล้วมันจะมีอยู่ได้อย่างไรนี่คือความจริงแท้ บุคคลผู้ศรัทธาผู้พยายามค้นหาความจริงผู้สนใจหลักการนี้ด้วยเหตุผลและเชื่อมั่นในธรรมที่นอกเหนือความมีอยู่และความไม่มีอยู่เขาย่อมสงบเย็นเมื่อบุคคลเข้าใจว่านี่คือผลตาข่ายแห่งความเห็นผิดย่อมสลายไปด้วยความบริสุทธิ์ เขาย่อมละวางความโลภโกรธหลงและเข้าถึงซึ่งนิพพาน